พระโยคาวาจรนก็ทำเครื่องบังคือความสำรวมในศีลปิดใจไว้แล้วเที่ยวไปเพื่อบินทบาทครั้นแล้วก็พึงแสวงหาสมณะธรรมล่วงภัยได้ทั้งหมดเพราะเครื่องมุงเครื่องบังคือความสำรวมในศีลดุดตัวปลวกฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์อันหนึ่งแห่งตัวปลวกยุติด้วยคำอันพระอุปเสนเถราจ้า ว, วังคันตบุตรกล่าวไว้ว่า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 ย่อมนึกพิจารณาถึงกายอยู่เนืองเนืองเหมือนแมวโสแหวงหาหนูอยู่ฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งแมวเป็นปฐมปุณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูราณะบอพิษพระราชสมภารธรรมดาว่าแมวย่อม so แหวงหาอาหารแต่ในที่ใกล้ๆเท่านั้นยะถามีขรุวนาฉันใด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 เป็นองค์แห่งแมวคำรบสองยุติด้วยพระพุทธดีกาอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าะอิโตุเรภาสิตพังภวัคังกิงกริสติปัจจุปันนำหิโอกาเรสเกกายมหินิพินทติมีความว่าไม่ต้องกล่าวไปให้ไกลแต่นี้นะภวัคขพรมจะทำอะไรได้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 องหนึ่งแห่งมแมลงป่องนั้นเป็นไนพระนาคเษนจึงถวายวิสัชนาว่ามหาราชดุราณาบพิษผู้ประเสริฐวิชิโกธรรมดามลแรงป่องนั้นมีหางเป็นอาวุธเที่ยวชูหางไปยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็มียานเป็นอาวุธท่านยกยานขึ้นพิจารณาอยู่เสมอ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 เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งสุนักจิ้งจอกสองประการสมเด็จพระเจ้ามิรินภูมินทราธิปดีมีพระราชองค์การตรัถามว่าพันเตนาคะเสน่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ปรีชาเฉลิมปราดองสองแห่งสุนักจิ้งจอกนั้นเป็นไฉนะ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 มหาราชะดุรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐมิโคโนามะธรรมดาว่ามรุคะย่อมเที่ยวไปในป่าแต่กลางวันครั้นถึงกลางคืนย่อมอยู่ในอโภโกราที่แจ้งยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าท่านก็อยู่ในป่าแต่กลางวันครั้นถึงเวลากลางคืน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 เวลากลางคืนที่เป็นไปในระหว่างเหมันตะฤดูเป็นสมัยน้ำค้างตกถึงฤดูเช่นนั้นตกกลางคืนเราอยู่ในอภโพกาาเวลากลางวันอยู่ในราวป่าครั้นถึงเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนเวลากลางวันเราอยู่ในอภโพกาาตกกลางคืนอยู่ในราวป่าดังนี้ขอถวายพระพร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 อุนทูวิชิเกนาจะนังกุโลสิงคาโลมิโควราโหโครูปะหัตทีนามีใจความว่าองแห่งปลวกองแห่งแมวองแห่งหนูองแห่งแมลงป่ององแห่งพังพรองค์แห่งสุนักจิ้งจอกองแห่งเนื้อองแห่งสุกรองแห่งโคองแห่งช้าง เหล่านี้ท่านจัดเป็นวรรคอันหนึ่งดังนี้แหละ